Ik heb een tijdje dat ik een ik een heb gehoord dat een dat ik een tijdje ik heb gehoord dat dat ik een tijdje ik heb gehoord dat dat ik een tijdje ik heb dat ik ik heb dat ik ik heb dat ik ik heb dat ik ik heb เรือตีกุหลาบกับเรืออากาศเอกพลทอน เมื่ออยู่ประมาณทั้ง 2 เดือนกับพ่อจากโรงพยาบาลทั้งวังกําลังจิตใจตอนนี้ขอเล่าเรื่องๆไม่ นี่จึงเห็นว่าการทําคุณกับคนกับบรรดาทําพุทธบริษัทสร้างชื่อเสียงให้วัดวัดมีรายมัน สภัพอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วน่าสะดุดใจ <c oughs> นอกจากนั้นไม่แต่หนังสือจดหมายก็ไม่เคยมีไปถึงก็ไม่ได้มีความน้อยใจอะไรเพราะเข้าใจอยู่แล้วอาตมามีพระเป็นที่พึ่งมีเทวดาเป็นที่พึ่งต่อมาไม่ทําถ้าเดียวท้องถ่าย <c oughs> คร 12 ครั้งตอนที่หมอทรงวนบอกไม่ไม่ได้ อาการใบก็ดีแล้วเกินก็รับไป 2 ปีจนเวลาเข้าถึงโรงพยาบาลได้แค่วัน ไม่มีอะไรผิดปกติอาการปกติดีๆอยู่แต่ทะว่าออกไม่ได้ตอนนี้ <c oughs> แล้วถึงก็ปัดที่ปึ๊บๆระหว่างเค้ามีไอ้ห้องนั้นมันมี 2 เตียงคือเตียงคนไข้กับเตียงคนเฝ้าไข้แล้วคนเฝ้าไข้เค้าไม่ ทางทางที่มีครอบแบดก็ทราบดีว่าคนประเภทนี้ไม่ใช่คนแน่ผีเพราะว่าครับ <c oughs> เขาบอกว่าผมเป็นนายทหารคนครับแต่เวลานี้เป็นผีแล้วถาม รักษากันไปร่างกายก็รู้สึกว่ามัน 2 ปีอยู่ครบ 2 ปีโรงพยาบาลมันก็เป็นบ้านเค้าก็เช็คร่างแล้วบันทึกอย่างหายปกติปอดอาการอักเสบต่าง แต่ออกมาก็ตามคําสั่งของพระเจ้าตักทิงคืนก่อนที่จะออกพระเจ้าตัก ก็ต้องเชื่อท่านไงเป็นนั้นว่าบางวันล่วงขึ้น ไว้อยู่กับท่านก็ดีตอนนี้ แต่ก็ไม่ได้นักต้องมีเจ้าอาวาสเจ้าวัดทําเป็นใหม่ก็สดชื่นขึ้นพยาบาลเกือบทุกวันตอนเย็นๆถึงจะกลับบ้านก็ตามไปเยี่ยมบอกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับให้ ญาติโยมที่ดีก็คือญาติโยมที่ทะหน่อยตามมาขอหวยตาม ถ้าผิดดีไม่ดีก็ด่าเลยผิดดีไม่ดีก็ด่าเลยถ้าจะหวังผลจากคน แต่บางคนที่อีกไม่ใช่ทุกคน ท่านมาบอกว่าท่านว่างๆไปออกอากาศก็ <c oughs> ก็พอถึงว่าจะที่จะไปก็กําลังนั่ง 30 นาทีคณะที่นั่งเขียนหนังสืออยู่ขอเล่าย้อนไปนิดนึงก่อนหน้านั้นวัน ไปรบที่เกาหลีบ้านของเธอก็เป็นบ้าน 2 ชั้นปรากฏว่ามีเสาตกตะมันเสา วันนี้หลวงหน้าจะไปสถานีวิทยุผมนี้มา เธอเห็นหันหน้ามาถามว่าฉันมีความผิด ไม่ใช่เพ็ญก็ไปหาเธอนะเพ็ญหนีแต่ว่าเป็นเป็นกลางวันฉะนั้นมองหน้าเธอแล้วก็ถามว่าเธอ อยู่ที่เสาต้นนั้นถามว่าเธออยู่ที่เสานั้นเธอบอกไม่ใช่วิมานแปดที่เสาเพราะเสาต้นนี้เป็นต้นไม้ในป่าเมื่อ เขาจะบอกถ้าถ้ากับผมว่าไม่จะมีอะไรใช่ก็มันได้โทษ ก็ถามเถอะว่าเอานี้ดี 3 ตัว 2 ตัวแต่ไม่ใช่เขียนต้องซื้อไป เลือกเลขใหม่บอกก็บอกไม่ต้องเลือกฉัน <c oughs> ให้ตะปูต่อข้างฝาเอาผ้ามลายคล้องด้านน้นด้านนี้แล้วผ้าสารสี ท่านก็เทก็บอกว่าถ้าอย่าง 1 องค์ก็บอกเอานี้ก็แล้วกันอีก 4 องค์มนนุนา ถ้าต้องการนิพพานมากๆน่ะไอ้ของที่บอกมาแล้วน่ะงดเสียให้ วันนั้นจริงๆพราไปฉันกันล่อสังหงือกเพราะพราไม่ค่อยได้ฉันไอ้คำพิพรา เลขท้าย 3 ตัว 5 ใบเลขท้าย 2 ตัว 12 ใบเมื่อเธอถูกแล้วมาถึงวันเสาร์อาทิตย์เธอก็ทํา ถ้าทาย 3 ตัวก็ 500 บาทถ้า 10 200 บาทถ้า 10 ใบก็ 2,000 ตัวไอ้ตัวเธอเองก็ไม่อยู่ ว่าเรื่องเสาตกตําหนินี่เดือดเป็นร้อนกันมากความจริงไม่มีอะไรเป็นโทษแต่ถ้าว่าเราไม่กลั่นแกล้ง ถ้าแต่โรงพยาบาลก็มาดูอยู่เสมอถ้า <c oughs> มีคนอื่นอยากจะเป็นเจ้าอาวาสเค้าก็บอกว่าเจ้าอาวาสวงเดิมไม่ขาดเธอก็มาทําทาสมาเยี่ยมแต่ว่าจะมาขอให้ลาออก 20 ปีเนี่ยเข้าบรรษา เมื่อ 20 ก็ได้ถึงลำพานได้ท่านบอก 20 ได้ออกจากวัดก็ตัดสินใจว่า เพราะเสือเหลืองนี่ไม่ใช่เล่นน่ะบรรดาทั้งพุทธบริษัทเสือเหลืองนี่ไม่ไม่ใช่เล่นเรื่องอิจฉาดิษยานี่หนักมากมีพระอยู่ไม่กี่องค์ก็มีคน แต่บางครั้งก็เป็นโหนู่นอาตมาก็เฉยแต่นึกไม่อยู่ตลอดกาลแล้วไม่พอใจเมื่อไหร่เราก็ไปมานั้นหลังจากนั้น toe die op in de wereld. Maar je eenmaal de je de de de น้ำพริกเอ่อพริกป่นกับน้ำปลามาด้วยกันบอก ตาแปลเล็กไม่ต้องใช้ใช้ถูใช้ไกวแล้วกวาดแล้วถูเองก็ได้เรื่องหมา ก็เป็นนั้นว่าอาตมาก็ต้องว่าต้องการความจริง <c oughs> ก็เป็นอันว่าเป็นการ แต่ตัวเวทีฝ่ายโจทย์ก็รู้สึกว่าเป็นคนทึ่มๆไม่เอาไหนเหมือนกันเค้าว่า ตะเติมมาวัน 2 คนเธอก็วิ่งแฮก 2 คนนี่เป็น 3 เธอจะมาทำไมวิ่งทำไมทำไมต้องวิ่งก็ทราบว่าคนที่วิ่งข้างหน้าน่ะเพิ่นเงิน เดี๋ยวแต่ไปให้เร็วหน่อยวิ่งกลับไปใหม่แต่ไปให้เร็วหน่อย เรียนกลับไปพอถึงเวลาตอนหลังเที่ยงถึงก็มา มาทุกคนที่มาที่นี่สอบได้หมดก่อนที่จะมาสอบให้มารับตำบลก่อนแต่ก่อนที่รับตำบลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 1 มามามามาอย่านอนดึกกินข้าวกินปลาเสร็จท้ายไหนทําการบ้าน กลางคืนนะทวารทิศหยาดเที่ยวเพราะมันยังไม่รู้ทุก 2 วันก็ เป็นการให้กำลังใจในความจริง單 dark but really has the virginity. ไอ้ที่บอกเป็น aşkมีความทมคันมาก นักเรียนดีขึ้นมากเรียนดีขึ้นมากทั้งเวลาสอบจริงๆ 60% ของคน 40% ต้องตก 50% ปี 100% ที่หลังก็ไม่ ถ้าว่าหมอรู้จําเป็นก็ดูตามความเป็นจริงถ้าเข้ามาดูก็ดูให้แต่จะต้องเขียนมาให้เขียนมาไม่เกิน 3 ข้อให้ถามไม่ได้พวกนี้ถามแล้วพูดมากถ้าเขียนมาไม่เกิน 3 ข้อนําดอกไม้ทุกเทียนมาด้วยวันรุ่งขึ้นมารับให้ปฏิบัติตามงานทุกคนเป็นอันว่าวัดพอเวลานั้นเข้าไม่ค่อยจะ กินข้าวแล้วกินเพล ไม่ต้องการเห็นคนอื่นที่ดีกว่าตนต้องการเห็นคนอื่นที่ดีกว่าตนและเมื่ออาตมามีแขกมากกว่าตนก็เริ่มอิจฉาภิกษุญาณนี่เป็นคนธรรมดานั้นในที่ ต้องมีสวัสดี